ถ้าควาจริงวิปัสนาญาณของที่าร์มีแค่สามามชั้นแต่พระอระัาจารย์มัแยกเป็น16ชั้นหรือว่าวิปัสนาญาณ16บหกถ้เป็นตึกตกก็ตึตกสิชั้นนั่นแหละเพราะนั้นเองฐานเราอยากจะได้ตึกกี่ชั้นดยสร้างฐานลึกเท่านั้นสร้างฐานลึกเท่านั้นทีนี้วิธีสร้างฐานทำยไงฐานของตัวรู้คือรูปกรรม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 อันนี้แหละที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเรามาศึกษาเพื่อวิธีปรับให้ลูกเนี่ยปรับการเปลี่ยนแปลงปรับการเป็นปปรนูกข้องมาน่ะน่าจะดีกว่านี้มันไม่ดังดูเพราะนั้นเองก็อยากจะปัญหามันเป็แบบนี้เนาะทำไมนั้นเราต้อง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 มันไม่เป็นอย่างอเนี่ยนะมันเป็นอย่างเนี้ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างมันอย่างนี้แล้วย อ, ยอมรับมันได้ไหมรูปอ่ะรูปมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียก ว, ว่าอันนี้จังรูปมันไม่สะดวกสบายตลอดเวลาเรียก ว, ว่าทุกข์ขังแล้วบงังค BON ับบัญชาให้เป็นไ ป, นปนตามต้องการเราไม่ได้เรียก ว, ว่าอนัตตาควจริงอนัตตาไม่น่าจะแปลว่าไม่มีตัวตนนะมันขัดแยง้งกับความเป็นจริงอนัตตาแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมให้เป็นตามใจไม่ได้เรีว่าอนัตตา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 เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขันห้าแต่เร <t art> ียกสั้นๆว่ารูปนามเนี่ยเรียกสั้นๆว่ารูปนามแต่เรียกยาวๆก็ว่าขันห้าเป็นจะขันอย่ารูปนามไม่เทียงรูปนามเป็นรูปนามเป็นนาณาตาขันห้าไม่เทียงขันห้าเป็นทุกขันห้าเป็นนาณตาอันเดียวกันแต่ถ้าท่านแยกให้เห็นรายละเอียดว่ารูป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 แต่อันนี้ไม่ต้องไปคิดตามนนะให้รู้ว่าภาวะนี่เราเราเราสัมผัสมันได้ไหมเย็นก็รู้สึกน้ำเป็นผู้บอกว่าเยน็นนั่งก็รู้สึกไม่สบายหนักหนุ <c oughs> แนแ็งทับเหน็บลิม ก, กินชาของเราเมันก็เป็นให้เห็นว่ามันไม่สบายมันเป็นทุกข์แล้วเราก็บรบัดมันไปเรื่อย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 แต่ถ้าหากตางออกไปนี้ไม่ใช่เนี่ยคำสอนของท่านเสร็จแล้วเรายังไม่ได้พิสูจน์ใความรู้สึกตัวมรนดับพุกได้อย่างไรเพียงแต่จำแล้วไปสอนความรู้สึกตัวดีอย่างน่นาโยงพอรู้ความรู้สึกตัวดีอย่างนี้โยงล้วก็สอนไปสอนไปแต่ว่าในกิเลสในตัวเองนีเง่นเต็มตัวเต็มหัวเลยไม่รู้ตัวนะนึกว่าจาได้ล้วก็ไปทำมาได้แล้ว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 จิตเป็นมะเร็งคือจิตที่มันร้ายเนี่ยเาเราียกว่าใจร้ายใจในีคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็เรื่องจิตมันเป็นมะเร็งแล้วก็รักษายากเลยนะอ่าต้องเอาอะไระกินยาอะไรบ้างที่จะให้จิตมันหายคิดไม่ดีเนะี่ยมียายกินไหมไม่ใช่ไม่มีนอกจากใช้ยาสามขนาน <c oughs> คือพุทธโอสถธ ร, รมโอสถสังฆโอสถ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 โกลผมห่มพระเหลืองบวชอันนี้ไม่ใช่พระสงฆ์นะเขาเรียกเป็นสมมุติสงฆ์นะสมมุติปิสงพระอริยสงฆ์ก็ทุกคนเป็นอริยสงฆ์ได้อสังฆานี้มีคุณสมบัติอย่างส่วนทุกวันไม่เฮียงสุปฏิปนูพระกวัตโตสาวะสังโฆส่วนทุกวันแต่ตีบทไม่แตกอุชุปฏิปนูพระวัตโตสาวกสังโฆ